มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัธรมวัชสุปินะปัญหาที่สิบถามเรื่องนอนฝันต่างๆเพราะเหตุอะไรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสัพเพนระนาริโยหญิงชายทั้งหลายทั้งปวงอิทะโลกัตสมิงในโลกนี้นอนฝันกะละยาังปิเป็นบุญก็ดีปาปกังปิเป็นบาปก็ดีทิฏฐะปุพพังปิฝันที่ตนเคยได้เห็นมาก่อนก็ดีอาทิฏฐะปุพพังปิ ฝันที่ตนไม่ได้เคยเห็นมาก็ดีเขมังปิมีกเกษมสุขก็ดีสภัยยางปิประกอบไปด้วยภัยก็ดีกัตัาพังปิตนได้กระทําก็ดีอากัตัาพังปิตนไม่ได้กระทําก็ดีทุเรปิมีในที่ไกลก็ดีสันติเกปิมีในที่ใกล้ก็ดีฝันนี้ มีวั น, นะเป็นอันมากต่างๆบางทีระลึกหลงไปไกลแสนกันก็เก็บเอามาฝันเหตุนั้นเป็นประการใดนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารคือนิมิตมาสู่คลองแห่งปฐมจจิตจึงให้ฝันยังลักษณะจะให้ฝันนั้นมีหกประการ วาติโกคือบุคคลมีวายโยธาอันกำเริบฝันไปนั้นประการหนึ่งปิติโกคือบุคคลมีดีกำเริบฝันไปนั้นประการหนึ่งเสมหิโกคือบุคคลมีเสมหะกำเริบฝันไปนั้นประการหนึ่งสันนิปาติโกเป็นโรคสันนิบาตให้ฝันไปประการหนึ่งเทวตูปสังหะโกเทวดาผีสางเข้าฝันประการหนึ่ง ปุพพาจิ น, นะเนมิตตะโกสิ่งที่เคยสั่งสมคือบุญบาปที่กระทาไว้แต่ก่อนมาเป็นนิมิตในฝันนั้นชื่อว่าบุพพานิมิตหนึ่งสิริเป็นเหตุหกประการเท่านี้แหละให้ฝันถ้าฝันด้วยบุพพานิมิตนั้นสัจโจแน่นักฝันด้วยเหตุอื่นไม่แน่ขอถวายพระพ ร, พรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่ว่าฝันด้วยบุพนิมิตนั้นจิตของผู้ฝันนั้นเป็นนิมิตหรือว่านิมิตมาปรากฏในผวังขจิตนั้นหรือว่าเหตุอื่นมาเป็นนิมิตพระนาคเสนถวายพระพรว่าจะเป็นจิตนั้นตกแต่งนิมิตขึ้นเองหาไม่ได้อัญโยโกจิจะเป็นสิ่งอืนอ่นแต่งนิมิต หามิได้คือนิมิตนันแหลมาปรากฏในปฐมมจิตอันกล่าวคือภวังขจิตจึงให้ฝันขอถวายพระพรดุดกระจกสองฉะนั้นกระจกนั้นจะได้มาให้เป็นเงาก็หาไม่อันโยโกโจิสิ่งอื่นๆจะแต่งเงาเกิดขึ้นในกระจกนั้นหามิได้สิ่งอื่นเล่าจะมาเป็นเงาก็หามิได้ตกว่าเงานั่นแหละ ปรากฏในกระจกนั้นฉันใดก็ดีจิตนั้นจะมาแต่งนิมิตขึ้นได้หามิได้อัญโยโกโจิสิ่งอื่นเล่าจะแต่งนิมิตหามิได้นิมิตที่จะให้ฝันนั้นออกมาเกิดปรากฏในผวังขจิตจึงฝันไปอุปมาดังกระจกจะแต่งเงาเองก็หามิได้สิ่งอื่นเล่าจะกลายเป็นเงาไปก็หามิได้ ชาติเงานั่นแหละปรากฏในกระจกให้เห็นพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอ่งการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าจิตที่ฝันเห็นนั้นรู้หรือว่าฝันอย่างนี้จะดีจะมีสุขเกษมฝันดังนี้จะชั่วจะมีภัยพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราช ขอถวายพระพรบอพิษพระราชาสมภารจิตบุคคลที่ฝันไปนั้นจะได้รู้ลักษณะฝันว่าดีและร้ายหาไม่ได้เมื่อฝันไปดังนั้นก็จําไปเล่าแก่ท่านผู้เท่าทั้งหลายอันรู้ทํานายท่านผู้เท่าทั้งหลายนั้นจึงจะทํานายฝันให้พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาเคเกษนผู้ปรีชาอินคะดังข้าพเจ้าตักเตือนนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสันาให้รู้โดยอุปมาเถิดพระนาเคเกษนถวายพระพรว่ามหาราชข้าถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐติละกาปิละกาทัตทูนิอันวัดต่อมและปานไฟผุดเกิดขึ้นในกายจะให้ลาบไม่ให้ลาบ จะให้ยศไม่ให้ยศจะให้เป็นที่นินทาและสรนเสริญจะให้สุขให้ทุกนั้นติละกาตอมไฟนั้นรู้หรือว่าแกล้งบังเกิดขึ้นจะสำแดงให้รู้ว่าดีและร้ายขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าใช่ว่าไฟตอมทั้งหลายจะรู้ว่าดีและรู้ว่าร้าย หาไม่ได้แต่โหราทั้งหลายเห็นไฟตอมนั้นก็ทานายว่าเกิดขึ้นที่นั้นผลจะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นที่นั้นผลจะเป็นอย่างนี้พระนากเกษมถวายพระพรว่าเอวเมวโขมหาราชะขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชสมภารชั้นใดก็ดีจิตบุคคลฝันนั้น จะได้รู้ว่าอาตมานี้ฝันร้ายฝันดีหาไม่ได้จะเข้าใจว่าฝันร้ายดีก็แต่ผู้เท่าอันรู้ธํานายดุดไฟต่อมทั้งหลายจะรู้ว่าดีร้ายก็แต่โหราพฤธาจารย์อันรู้ธรรนายลักษณะฉันนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาทเสณนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชา บ อ, อกว่าบุคคลฝันเห็นนั้นหลับหรือว่าตื่นประการใดพระนาคเษศมีเทระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลนอนหลับก็ไม่ฝันตื่นอยู่ก็ไม่ฝันเอทันตะเรในระหว่างนั้นคือตื่นและจะใกล้หลับต่อกันนั้นจึงฝันประการหนึ่งบุคคลมีจิตหลับนั้น พวังคะคะตังจิตถึงพวังเมื่อจิตลงสู่พวังแล้วมิได้กลับไปกลับมาขณะนั้นจะรู้ว่าสุขทุกข์นั้นหาไม่ได้ก็แลจิตที่หลับไปดังนั้นจะได้ฝันหาไม่ได้ปวัติมาเนจิตเตต่อเมื่อไรจิตนั้นประวัติเป็นไปได้จึงจะฝันยะถามีขรุวนาฉันใด อุปมายประดุดบุคคลยกเอากระจกบริสุทธิ์ผ่องใสเข้าไปตั้งไว้ในที่มืดหาแสงแดดส่องไม่ได้ฉายาอันว่าเงาไม่ได้เข้าไปปรากฏได้นั้นมหาราชะขอถวายพระพรอาทาโศอันว่ากระจกส่องนั้นได้แก่กายเราท่านทั้งหลายอันทะกาโรอันว่ามืดนั้นได้แก่หลัก สุริยะรังสีอันว่ารัศมีแดดนั้นได้แก่จิตขอถวายพระพรประการหนึ่งมหิโกติอันว่าที่สุดแผ่นดินข้างหนึ่งแสงพระอาทิตย์สองไม่ถึงด้วยเหตุสุริยารังสีนั้นอันเมฆ ก, กั้นไวเมื่อแสงพระอาทิตย์สองไม่ได้แล้วอาโลโกอันว่าสว่างก็ไม่มีความนี้ยะถา และมีอุปมาฉันใดก็ดีมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐบุคคลที่หลับไปนั้นจิตตกลงสู่ผวังแล้วมิได้วันไหวเมื่อจิตมิได้วันไหวแล้วจะได้ฝันหาไม่ได้เอวะเมวะมีอุปไมยดังที่มืดหาแสงสุริยะรังสีไม่ได้นั้นมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสุริโยอันว่าพระอาทิตย์นั้นได้แก่กายเราท่านทั้งปวงอันว่าที่สุดแผ่นดินได้แก่หลับสุริยะรังสีนั้นได้แก่จิตมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลหลับและท่านผู้วิเศษที่เข้านิโรธสองจำพวกนี้จิตจะได้วันไหวหามิได้ เหตุนี้บุคคลหลับจึงไม่ฝันส่วนบุคคลตื่นอยู่จิตนั้นขุนมัววันไหวไม่เป็นปกติอยู่บุคคลที่ตื่นนี้นิมิตจะได้ปรากฏในจิตหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐดุจบุรุษผู้หนึ่งรหัสกาโมมีความปรารถนาที่อันมรโหฐานเป็นที่กำบัง ไม่สำแดงซึ่งอาการต่างๆได้ในที่อันแจ้งยะถามีครุวนาฉันใดอันว่าบุคคลตื่นอยู่ถึงกลางวันอันโทวะก็เหมือนหนึ่งตามืดนิมิต จ, จะได้ปรากฏหาไม่ได้อุปมาเหมือนบุรุษอันรักที่กำบังไม่สำแดงอาการที่แจ้งนั้นวาปนะแม้นอีกอย่างหนึ่งเล่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบดังภิกษุเป็นพินาชีวะทำลายเสียซึ่งอาชีวะปาลิสุทธิที่ศีลมิได้เลี้ยงชีวิตตามพุทธบัญญัติคบหาปาปมิตรประพฤตุจริตอนาจารทุตสีหลังเป็นผู้ทุศีลเกียดติครานถอยจากความเพียน โพธิปัขิาธรรมก็ไม่ได้มาสู่ที่ครองแห่งอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ยะถามีอุปมาฉันใดอันว่าบุคคลตื่นถึงกลางวันก็เหมือนกลางคืนถึงสว่างก็เหมือนมืด น, นิมิตจะได้ปรากฏในครองแห่งพวังหาไม่ได้เอวะเมวะมีอุปมาดังภิกษุทุศีลคบปาปมิตเป็นคนเกียจคร้าน โพธิปักคิยธรรมไม่ได้บังเกิดในคลองแห่งจิตเป็นธรรมารมณ์ฉะนั้นเหตุดังนี้แหละบุคคลตื่นอยู่จึงไม่ฝันด้วยจิตนั้นไม่ได้แน่วแน่ลงได้ขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามิทัสติวิทา ลักษณะแห่งบุคคลที่จะหลับนี้มีสามประการไม่ใช่หรือพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชคอถวายพระพรบพภิษพระราชสมผานผู้ประเสริฐเอออันว่าลักษณะแห่งการหลับนั้นมีสามประการเป็นอาทิเบื้องต้นนั้นประการหนึ่งเป็นมัชชิมะปานกลางประการหนึ่งเป็นปริโยสารที่สุดประการหนึ่ง พระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชองค์การถามว่าเป็นอาทิเป็นมัชชิมะเป็นป ร, ริโยสารนั้นเป็นประการใดพระนากเกษนมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูกระบอพิธพระราชาสมภารอันว่าลักษณะเป็นอาทิจะหลับนั้นให้เกียรติคร้านที่กระทำการและให้คร้านไปทั่วกาย ให้กายนั้นทุกพลภาพอ่อนไปง่วงไปประกอบการงานไม่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอาธิแห่งหลับเป็นต้นเป็นเดิมแห่งหลับประการหนึ่งที่ว่าหลับเป็นมัชชิมะนั้นอธิบายว่าหลับเป็นท่ำกลางคือหลับยังไม่สนิทเป็นดุดวานอนอันหลับนั้นเรียกว่าหลับเป็นกลางประการหนึ่งซึ่งว่าหลับเป็นปริโยสารนั้น ได้แก่จิตลงสู่ภวังเป็นที่สุดลับสนิททีเดียวประการหนึ่งสิลิเป็นลักษณะแห่งหลับสามประการดังนี้เบื้องว่าหลับเป็นกปินิทราคือหลับวานอนนั่นแหละให้ฝันเห็นมหาราชะขอถวายพระ พ, พรบพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐโยสัตโตธรรมดาว่าพระยะติโยคาวจรเจ้าองคใดมีสติ ปาริตะสมาหิโตมีจิตมั่นในที่บำเพ็ญภาวนาทิตะ ร, รมโมมีธรรมอันตั้งไว้อจละพุท ธ, ธิมีปัญญามิได้หวั่นไหวปหีนะโกตุหะละสัโทโธกำจัดเสียซึ่งเสียงอันอื้ออึงย่อมอยู่ในที่กลางป่าอันสงัดรำพึงถึงอัดอันสุขมมิได้อย่างจิตลงสู่หลับ ระงับจิตเป็นเอกะขะตาก็ได้สำเร็จธรรมาพิสมัยยะถามีอุปมาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอะชาคโรโบุคคลที่ไม่ตื่นอมิทธะสมาปนโนจะหลับก็ไม่หลับคือบุคคลนอนหลับก็ใช่จะตื่นก็ใช่ดุจวานอนอันหลับนั่นแหละจะฝัน ก็อุปมาอเหมือน ก, นกันกับท่านผู้วิเศษอันไม่ได้อย่างลงสู่หลักกระทํามจิตเป็นเอกขตาอันบรรลุกแก่ธรรมาพิสมัยมรรคนั้นโกตุหละสัทโธอันว่าเสียงอื้ออึงตื่นข้านั้นคือตื่นอยู่วิเวโกอันว่าวิเวกสงัดนั้นได้แก่นอนจะหลับก็ใช่จะตื่นก็ใช่เช่นวานนอนหลับนั้นพระโยคาวจรเจ้า ละเสียซึ่งเสียงตื่นขาวและเสียงอื้ออึงกำจัดเสียซึ่งมิทะคือมิได้อย่างลงสู่หลับมีจิตเป็นอุเบคามัทยัตก็ได้ตรัสรู้ธรรมนั้นยะถามีคารุวนาฉันใดมหาราชขอถวายพระ พ, พรบพิษพระราชสมภารอะชาคารอมิธะสมาปนโนบุคคลที่ไม่ตื่นไม่หลับดังว่านอนหลับนั้น จึงฝันเห็นเอวเมวะเหมือนอย่างพระโยคาวาจรเจ้าอันไม่ตื่นไม่หลับมีจิตเป็นอุเบกขามัทยัตได้ตรัสรู้ธรรมแจ้งในธรรมเห็นไปในธรรมนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาก็ตรัสว่าสาธุพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จำเรินสัมปติชามิ โยมจะรับถ้อยคำจำไว้ในการบัดนี้สุปีนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงเท่านี้จบอัธรรมวัก